<c oughs> ตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดสติปัญญาตามสมควรแกเร่เวลาการฟังดังนั้นคนเราเมื่อฟังดีก็ย่อมได้ปัญญาในทางที่ดีถ้าฟังไม่ดีก็ได้ปัญญาในทางที่ไม่ดี คำว่าดีกับไม่ดีนั้นมันตรงกันข้ามเหมือนดำกับขาวดังนั้นวันนี้จะได้พูดกันเรื่องการเห็นธรรมะหรือว่าเข้าถึงธรรมะต่อไปคำว่าเห็นธรรมะนั้นบางคนว่าเห็นสีเห็นแสงเห็นถี เห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์หรือที่สุดก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเป็นการเห็นนอกตัวไม่ใช่เห็นในตัวของเราถ้าหากเห็นธรรมก็ต้องเห็นตัวของเราหรือเห็นในตัวของเรานี่เองฉันั้นที่เราเห็นสีเห็นแสง เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานหรือเห็นพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นมายาเป็นกลไกของกิเลสหรือเป็นกลไกของจิตใจถ้าหากว่าเห็นธรรมคือเห็นตัวเราเห็นรูปเห็นนามหรือเห็นกายกับใจของเหล่านี้เอง ดังนั้นคำว่ากายกับใจนี้หรือว่าลูกกับนามนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเมื่อเกิดหลุดจากท้องของบรรดามาก็ต้องมีกายกับใจหรือมีลูกกับนามภาษาธรรมะที่ได้ประพฤติปฏิบัติรำหรือประสบพบเห็นมาก็เรียกว่าลูกกับนาม ภาษาชาวบ้านของเราเรียกว่ากายกับใจดังนั้นเมื่อเห็นกายก็เห็นใจเมื่อเห็นใจก็เห็นกายเมื่อเห็นรูปก็เห็นนามเมื่อเห็นนามก็เห็นรูปเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมคำว่าธรรมธรรมคำนี้มีอยู่สามคำหมายคือธรรมข้อหนึ่งเรียกว่าธรรมโตทอสละอาทอธรรม ทำอีกข้อที่สองนี่ว่าตัวทอตัวมอเรียกว่าทำเหมือนกันข้อที่สามนี่ว่าตัวทอตัวรอรอสองตัวตัวมอก็เป็นธทำเหมือนกันเนียกว่าทำทำคือการกระทำํำทำทางกายหนึ่งทำทางวาจาหนึ่งทำทางใจหนึ่งดันั้นการเห็นธทำต้องเห็นในการกระทํา นืกการพูดการคิดในขณะที่ทำที่พูดที่คิดอยู่นั่นแหละคือเห็นธรรมหรือว่าเห็นธรรมนั่นคือเห็นรูปกับนามหรือเห็นกายกับใจอย่างที่พูดแล้วเมื่อบุคคลใดเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลใดไม่เห็นธรรมก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นการเห็นธรรมนั้นก็คือเห็นตัวเราพระพุทธเจ้านั้น ก็คือคนธรรมดาธรรมดานี่เองแต่คนส่วนมากเข้าใจว่าคือรูปเจ้าซายสิท ธ, ธ, ธากุมมาร น, นั้นเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อมาคำานึงถึงว่ารูปเจ้าสายสิท ธ, ธ, ธากุมมาร น, นั้นเป็นพระพุทธเจ้าเรามาคำานึงถึงเมื่อสมัยพระวกคลิกไปอยู่กับพระพุทธเจ้า เห็นพระพุทธเจ้ารูปสมของพระเจ้าสวยงามดีก็ติดตามไปอยู่ด้วยเรียกเป็นบวชเป็นภิกษุอยู่ด้วยพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าแนะนำให้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็เฉยอยู่ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแต่ฟังอยู่แต่ไม่ได้ยินคือไม่เข้าใจนั่นเองคอยดูตั้งแต่รูปสม ภายนอกเท่านั้นไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ปั น, นาพระวักกะลิกคือไล่พระวักกะลิกหนีว่าอย่างนี้ก็ได้เมื่อพระพุทธเจ้าปั น, นาพระวักกะลิกไล่พระวักกะลิกหนีพระวกกะลิกก็ไม่มีทางไปเพราะว่าความตั้งใจว่าจะไปอยู่กับพระพุทธเจ้า เมื่อพระพุทธเจ้าไล่หนีหรือประนามก็ไม่มีทางไปเมื่อไม่มีทางไปแล้วก็มีทางเดียวเท่านั้นคือตายพระวักกลิคิดอย่างนี้มีทางเดียวคือตายเท่านั้นเมื่อไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีทุกข์ว่าอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นพระวักกลิก็เลยหนีจากพระพุทธเจ้าไปว่าจะไปโจรเหวตายว่าอย่างนั้น พระพุทธเจ้าก็เพ่งเลงเรียกว่าเด้งยานไปเห็นพระวักลิกว่าจะไปโนเหวยตายพระพุทธเจ้าก็ตามไปไปถามพระวักลิกว่าพระวกลิกทำไมจะมาโนเหวตายอย่างนี้พระวักลิกก็เลยตอบพบระพุทธเจ้าว่าเพราะว่าไม่มีทางไปทีแรกตั้งใจจะมาอยู่กับพบระพุทธเจ้าเพราะว่าเห็นพระพุทธเจ้านั้น เป็นผู้ที่สวยงามพอใจในรูปในเสียงในการทำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระวักกลิกพระวักกลิกเข้าใจว่าตัวรูปร้างเจ้าทรายสิทธัตถะคือรูปกายภายนอกของเรานิติเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามพระวักกลิกอย่างนี้พระวักกลิกก็เลยตอบพบระพุทธเจ้าว่า ก็คือรูปที่มองเห็นด้วยตานั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยตอบพบระวรกลิกถามพระวรกลิกไปอีกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าถ้าหากพกระวรกลิกเข้าใจว่ารูปกายภายนอกนี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วรูปกายภายนอกของเราผู้พระวรกลิกว่าเป็นพระพุทธเจ้านี่ตายเป็นไหมตายเป็นบัด น, นี้รูปพระวรกลิกนั้น ตายเป็นไหมตายเป็นเมื่อพระวักกะลิกเห็นว่าเราตถาคตผู้พระวักกะลิกว่าเป็นพระพุทธเจ้านี้ตายแล้วเน่าเปื่อยเหม็นเป็นไหมเน่าเปื่อยเหม็นเป็นบัดนี้พระวักกะลิกตายเป็นแล้วเน่าเปื่อยเหม็นเป็นไหมเน่าเปื่อยเหม็นเป็นเช่นเดียวกันว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าตายเป็นเน่าเป็นเปื่อยเป็นเหม็นเป็นอย่างนั้นจะไปถือว่า รูปกายภายนอกนี่เป็นพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้านั้นไม่ตายไม่เนาไม่เปลื่อยไม่เหม็นถ้าหากพระวักกะลิกเข้าใจอย่างนั้นแล้วพระวักกะลิกไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยพระวักกะลิกก็เลยเกิดมีความสงบนใจขึ้นมาเรียกว่าสนใจอยากเห็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ตายไม่เน่าไม่เปลื่อยไม่เหม็นเป็นนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้ากับพบระวรกกลิก็เลยสนทนากันไปหลายเรื่องหรื อ, อยังไงก็ไม่รู้เพียงเล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆแต่พวกท่านทั้งหลายที่ได้ฟังแล้วก็คงจะได้รู้จักเป็นลางๆหรือว่าเข้าใจเป็นลางๆเพราะท่านทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วพอสมควรเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็ เลยทักทายพระวรกลิกไปหลายเรื่องพระวรกลิกก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าที่ไม่ตายไม่เนา่าไม่เปื่อยไม่เหม็นเป็นนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยแนะแนววิธีปฏิบัติธรรมเรียกว่าแนะแนวการทํากรรมฐานหรือว่าแนะแนวการเจริญวิปัสสนานั้นให้แก่พกระวรกลิกพระวรกลิกก็เลยไปปฏิบัติธรรมะได้ ดวงตาเห็นธรรมหรือว่าดับกิเลสตายคายกิเลสหลุดเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าเนี้ยจะจับนิ้วเท้านิ้วมือหรือสายจีวรของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าคือไม่เห็นธรรมนั่นเอง ดนั้นคําว่าทรรมคํานี้นั้นมันมีอยู่ในคนทุกๆคนผมเคยเปรียบและเคยอุปมาสมมุติขึ้นให้ฟังมาหลายครั้งหลายหนและผมไปพูดที่ไหนผมก็พูดอย่างนี้เพราะผมเข้าใจอย่างนี้คําว่าธรรมะนั้นมันมีอยู่ในคนทุกคนเหมือนกับเม็ดข้าวที่เป็นข้าวเปลือก จะเป็นข้าวเจ้าก็ตามจะเป็นข้าวเหนียวก็ตามเมื่อเราเอาข้าวเจ้าข้าวเหนียวไปเพาะหรือไปปลูกเอาน้ำไปลดเมื่อเอาลงไปเพาะไปปลูกแล้วเอาน้ำไปลดพยายามรักษาไว้ไม่ให้มดให้ปลวกให้แมงเอาไปกินเม็ดข้าวทุกเม็ดที่จะเป็นข้าวเจ้าก็ตามข้าวเหนียวก็ตามต้องงอกหรือต้องแตก ต้องป่องออกมาเป็นต้นเป็นลำได้เหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นชนชาติไหนพาษาใดก็าตามจะถือศาสนาไหนก็าตามจะเป็นยุคใดสมัยใดก็าตามยุคสมัยปัจจุบันที่เรากำลังมาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในขณะนี้นี่ว่ายุคไม่มีพระพุทธเจ้า แต่มีตำหนับตำลาคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ก็ปฏิบัติธรรมะสามารถที่จะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะได้เช่นเดียวกันหรือว่าฆ่ากิเลส ต, ตายคลายกิเลสลุดได้เช่นเดียวกันกับสมัยเมื่อพระพุทธเจ้ายังมีลมหายใจอยู่นั้นฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะนั้นมีหลายวิธีที่เราเคยพูดกันมาว่า การเข้าถึงธรรมะนั้นโดยสุตะมยปัญญาคือการฟังข้อที่สองนี่ว่าเข้าถึงธรรมะได้เพราะจินตะมยปัญญาเพราะการนึกการคิดเข้าถึงธรรมะนั้นเพราะการเรียนการเขียนการอ่านก็มีท่านว่าอย่างนั้นฉะนั้น การเข้าถึงธรรมะนั่นจึงว่าสุตะมยปัญญาจินตะมยปัญญาภาวนามยะปัญญาคำว่าสุตะมยปัญญาคือการฟังจินตะมยปัญญาคือการนึกการคิดการปฏิบัติตามภาวนามยะปัญญาก็เป็นการเรียนและปฏิบัติตามเรียนเท่านั้นยังไม่พอฟังเท่านั้นยังไม่พอต้องนึกต้องคิดต้องลงมือประพฤติปฏิบัติ ตามคำสอนที่เราเห็นเห็นมาหรือเรียนเรียนมานั้นฉะนั้นการเห็นทาก็ได้พูดให้ฟังแล้วพวกท่านทั้งหลายคงจะจำได้หรือจำไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องราวพอสิวสิวหูไปเป็นเรื่องราวแต่บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าทำไม เพราะตำหลับตำลาบอกว่าถ้าเห็นธรรมก็ต้องเห็นสีสแสงถีเทวดานรกสวรรค์เป็นสัญญาเป็นนิมิตคำว่าสัญญาก็เป็นสัญญาลักษณ์เป็นนิมิตก็เป็นนิมิตที่อันพอใจเลื่อนสั้นปัญญาว่าอย่างนั้นแต่คำว่านิมิตนั้นเราไปเข้าใจเอากับตําลาจนหมดไปคำว่านิมิต แปลว่าเราไปทำกรรมฐานได้นิมิตข้อใดข้อหนึ่งแล้วจึงจะเลินวิปัสสนาต่อไปต้องทำกรรมฐานให้เป็นนิมิตทำกรรมฐานให้ได้สงบจิตใจสงบแล้วนิมิตจึงจะเกิดขึ้นได้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้มันหัวฝังถล่เข้าไปในตาราทั้งนั้นคาว่าทำให้จิตใจสงบ และนิมิตนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่ผมเลามานี้อาจจะขัดใจหรือขัดข้องกับตำรับตำลาก็ได้แต่เมื่อบุคคลผู้ที่มีปัญญาฟังแล้วจะไม่ขัดข้องกับตำรับตำลามันจะเข้ากันได้คำว่านิมิตนั้นไม่ได้หมายถึงสีแสงถีเทวดานรลกสวรรค์ นิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายสมมุติเราจะเอาไม้มาทําบ้านทําเรือนเราต้องเอาพอดีสมมุติว่าเราจะเอาไม้มาใช้ที่บ้านที่เรือนเนี่ยจากเม็ดเดียวเราก็เอาเม็ดเดียวเท่านั้นไม่ต้องเอาเผื่อมาเอาเม็ดยี่สิบหรือเม็ดสิบเซนเม็ดห้าสิบอันนั้นก็เสียเงินเปล่าประโยชน์ไปเราต้องการเม็ดเดียวก็เอาเม็ดเดียวเท่านั้น หรือว่าเราต้องการอะไรก็เอาเท่านั้นถ้าเราเอามาถึงเม็ดยี่สิบหรเม็ดห้าสิบไปมันก้นหนักไปเป็นอย่างนั้นฉะนั้นนิมิตจึงออเป็นเครื่องหมายคําว่านิมิตเป็นเครื่องหมายนั้นเราเคยได้ยินได้ฟังมาในตำรับตําราว่าทำที่มีอุปกระมากสองอย่างในหลักสูตร นักธรรมสันตีอยู่ในนวโกวาตสติความระลึกได้เนี่ยสำปาชัญะญความรู้ตัวก็คือสติความระลึกได้สัมปาชัญะญความรู้ตัวนั่นเองเป็นนิมิตสมมุติว่าเราพลิกมือขึ้นคว่ำ ม, มือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงย พิปตาอ้าปากหายใจเข้าหายใจออกลืนน้ำลายผ่านลงไปในรูคอเรามีสติรู้เท้ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักอัสะนะได้ทุกขณะนั่นแหละคือนิมิตคือเรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวทางลูป ก, กายภายนอกและเรายังมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของภายในใจิตใจ ดังนั้นการเคลื่อนไหวรูปกายภายนอกนั้นคนอื่นมองเห็นได้ด้วยตาเช่นเราพลิกมือขึ้นคว้มมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาพิบตาอ้าปากก้มเงยหายใจเข้าหายใจออกลืนน้ําลายผ่านลงไปในลูคอเหล่านี้คนอื่นมองเห็น สำหรับจิตใจนั้นคนอื่นไม่มีความสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างที่เราสวดในหลักธรรมคุณจบไปแล้วเมื่อเจ ก, กี้นี่วะสวัชคาโตภะกัตาธรรมโมพระธรรมอันเผ่าฮีภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วคือพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิติโกอันผู้ลู่จะพึงเห็นเองคือเห็นด้วยตนเองเข้าใจด้วยตนเอง อาการลิโกไม่ประกอบการและเวลาจะเป็นยุคใดสมัยไหนก็ตามเห็นธรรมก็เห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าและราษาวกทุกองค์เห็นก็เห็นเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นธรรมรู้ธรรมเข้าใจธรรมแล้วความทุกข์ก็ลดน้อยลงไปหรือไม่มีทุกข์เหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าแต่สำหรับสติปัญญานั้น ไม่เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าสําหรับความไม่มีทุกข์นี่เหมือนกันไม่มีทุกคนเป็นพระเนียบุคคลเช่นขั้นต้นตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปทุ ก, ก็ลดน้อยลงไปพระสกิทาคาทุกก็ลดมากเข้าไปพระอนาคามีทุกก็ลดมากเข้าไ ป, าาากกาาไปถึงเป็นพระอารหันต์แล้วทุกขก็หมดเลยไม่มีทุกขเลย คนที่ไม่มีทุกนั่นแหละเรียกว่าเป็นพระเนียบุคคลฉะนั้นทุกนั้นจึงมีมากมายหลายเรื่องมีทุกทางกายบ้างทุกทางใจบ้างอย่างนี้ทุกทางกายนั้นคนอื่นก็มองเห็นเช่นเราจับของหนักๆแบกบของหนักๆ ห, หรือทุกตากแดดนอนฝนทําการทำงานอย่างนั้น ทุกประเภทนี้เราสลัดทิ้งได้โดยเร็วเราไม่พอใจก็วางลง ท, งทันทีถ้าเราหิ้วของจับของมันหนักเราก็วางมันก็เบาไปถ้าเราแบกของถ้ามันหนักเราก็ทิ้งออกเราก็เบาไปถ้าเราตากแดดตากฝนถ้ามันร้อนเราก็ไปหาที่หลม่ลมล่มถ้าตากฝนมันหนาวเราก็ไปหาผ้าหาเสื้อเรือ้อหาเสบงจีวร ถ้าเป็นโยมก็หาเสื้อหาผ้ามานุง่งปกปิดล้่งกายอวัยว ะ, วะของเราแล้วมันก็อุ่นขึ้นมาทุกประเภทนี้แก้ไขได้โดยเร็วหรือทันทีส่วนทุกทางใจนั่นล่าเป็นการแก้ไขได้ยากเพราะสัมผัสไม่ได้โดยมือมองไม่เห็นได้ด้วยตาจึงเป็นการแก้ไขได้ยากบางคนไม่รู้จักวิธีแก้ ถึงกับฆ่าตัวตายบางคนก็จินยาตายผู้คอตายกระโดดน้ำตายเอาปืนยิงตัวตา ย, ยมีอยู่เป็นจำนวนมากอย่างที่พระกรกะลิกนั่นแหละเมื่อไม่พอใจก็จะไปโตนเหวตายฉะนั้นเมื่อคิดถึงเรื่องราวของพระพกรกะลิกแล้วพระพุทธเจ้าได้พูดกับพระพกรกะลิกว่าเมื่อบุคคลใดเห็นธรรม คนนั้นเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลใดเห็นพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นเห็นธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นพระวกะลิกก็ได้เจริญวิปัสนามาได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้กระแสพระนิพพานแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายใจยังเห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็สบายใจอยู่เช่นนั้นฉะนั้นการเห็นธรรมนั้นจึงให้เห็นเป็นตามขั้นตอนหรือเป็นตามระดับ ระยะระยะเป็นพักเป็นพักตามอารมณ์ไม่ใช่ว่าฟังแล้วเรียนแล้วไม่ต้องปฏิบัติอันนั้นอย่างไม่พอต้องลงมือปฏิบัติจเจริญวิปัสสนาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเมื่อเราไม่เข้าใจวิปัสสนาอย่างแจ่มแจ้งการบวชก็เหมือนกันหรือการมีชีวิตก็เหมือนกันผมเคยได้ยิน ในตำรับตำลาและครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้เป็นภิกษุสมณีมีอายุบวชอยู่ทรงผ้ากาสะพัดมีอายุพรรษาตั้งร้อยปีถ้าหากไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจธรรม สภาวะจิตใจอาการเกิดดับของจิตใจจริงๆแล้วการบวชของบุคคล น, นั้นเป็นมันว่าอย่างนั้นตรงกันข้ามเมื่อบุคคลใดเข้ามาบวชในหลักพุทธศาสนาจะทันได้บวชกว็าตามเพียงแต่ไมดีโกนผมผมหลุดลงมาเลยได้ดวงตาเห็นธรรมเข้าใจธรรมะถึง สัจธรรมคืออาการเกิดดับของจิตใจและอาการเกิดดับจริงๆนั่นแหละดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่บวชมามีอายุเป็นอยู่ร้อยพรรษาท่านว่าอย่างนั้นและบุคคลที่เกิดมามีอายุเป็นอยู่ร้อยปีแต่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่เข้าใจธรรมในสภาวะอาการเกิดดับของจิตใจหรืออาการเกิดดับ กิเลสหรืออาการเกิดดับอย่างไรก็ตามชีวิตของบุคคล น, นั้นเป็นหมันชีวิตไรประโยชน์อยู่ด้วยความทุกข์เหมือนกันกันกบนอนหรือไสเดือนจมอยู่อย่างนั้นแหละตรงกันข้ามบุคคลเกิดมาเพียงวันเดียวรู้จิตใจรู้ธรรมะอาการเกิดดับเข้าใจถึงสาภาวะธรรม อาการเกิดดับของจิตใจหรืออาการเกิดดับของกิเลสนั้นดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลที่มีอายุเป็นอยู่ร้อยปีท่านว่าอย่างนั้นฉะนั้นการมาบวชของพวกเราหรือว่าเราที่เกิดมาเป็นคนในขณะนี้ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ในขณะนี้เราไม่ควรประมาทเราควรขยันมั่นเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมะ คำว่าทำทมคำนี้มันมันเป็นธรรมธรธรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นให้ได้ในสิวิตนี้การเข้าถึงธรรมะนั้นไม่จากัดเพศวัยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นเนรถือศาสนาไหนก็ตามแต่ตำลาบางส่วนและภูบาอาจารย์บางคนพูดว่าถ้าหากเป็นเพศฆราวาสรู้จักธรรมะ เข้าใจธรรมะฆ่ากิเลสตายคายกิเลสดุษนั้นจะเป็นเพศฆรวาสอยู่ไม่มีอายุยืนนานถึงเจ็ดวันหรือจะไม่ผ่านเจ็ดวันไปได้ต้องมาบวชเป็นเพศบัรพาชิตถ้าหากไม่มาบวชเป็นเพศบรรพชิตนั้นต้องตายหรือสิ้นใจไปหมดลมหายใจ อันนี้เป็นการที่ไม่เข้าใจหรือจะพูดมากับตำลับตำลาเท่านั้นบางครั้งบางข่าวให้ผมพูดตามตรงแล้วก็ว่าคนที่พูดอย่างนี้เป็นการโกรหกพูดเท็จเป็นการกล่าวให้คำสอนของพระเจ้าเสื่อมขายหรือจิบหายไปไม่ให้บุคคลผู้เป็นฆรวาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นการกล่าวตู่พุทธพจน เป็นการทำลายคำสอนของพระเจ้าโดยไม่ดูสึกตัวฉะนั้นการกล่าวธรรมะหรือการพูดธรรมะต้องเข้าใจให้เห็นแจ้งชัดเจนฉะนั้นบุคคลใดที่มีอายุเกินกว่าเจ็ดวันนั่นไปได้มันเป็นเพียงสมมุติวันทิศวันจันทร์วันอังคารพุทธภาสุขเสาร์มันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นจะตายวันไหนก็ตายสิ้นลมหายใจเหมือนกัน บุคคลที่ไม่เห็นธรรมะไม่เข้าใจธรรมะนั้นเราเคยพูดกันว่าผู้ที่เป็นอนันต ร, ริยกรรมห้าอย่างคือฆ่าบิดามารดาหลายเรื่องเรามาพูดกันเพียงย่อๆเรื่องภิกษุภิกษุผู้เป็นอาบัติประสาทิกแล้วอุปสมบทไม่ขึ้นเนื้อจเจริญวิปัสนา ไม่สามารถที่จะเห็นธรรมะได้ในตำรับตำลาบอกว่าบุคคลที่ภิสษุเป็นอาบัติประสึกคือเศษเมถุนหนึ่งลักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งพูดอุตริมนุษย์สาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนหนึ่งอันนี้เป็นอาบัติประสึก ถหากเป็นภิกษุอยู่ก็ต้องศึกเพรา ะ, จะเจริญวิปัสนาไม่ได้และทำเรื่องบรรพชิตไม่จเจริญว่าอย่างนั้นฉะนั้นข้อนี้มันมีในตำราแต่เรามามองมองดูกันเห็นด้วยสายตาบุคคลที่บวชมาสองปีสามปีสี 4, ป่ปีจนถึงห้าสิบปีหกปีจนตายก็มี ยังไม่เข้าใจธรรมะเมื่อไม่เข้าใจธรรมะไม่เห็นธรรมะก็ต้องเป็นปราชชิกอยู่นั่นเอง <c oughs> คำว่าปราศชิกก็หมายถึงความมืดบอดนั่นเองเราเคยสวดกันเรื่องอาเสวนาที่เป็นมงคลสามสิบแปดว่าอาเสวนาจะพารานะังแต่เป็นใจความว่าเราจะไม่เสพคนผ่านเป็นเด็ดขาด ปัิตินั่นจะเสบนาเราจักเสพหรืออยู่ด้วยบัณฑิตรายอย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเราจักหาบัณฑิตนอกตัวเราการศึกษาเล่าเรียนนั้นเราก็ศึกษาเล่าเรียนมามากพอสมควรและผู้ที่เป็นคนพานนั้นเราก็หนีได้ แต่บัณฑิตที่เป็นนักปราชญ์ศึกษาเราเรียนถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาเราเรียนเองเราจะไปอยู่กับท่านผู้ท่านเรียนมามากนั้นก็คงจะอยู่นานไม่ได้สําหรับบัณฑิตนักปราชญ์ที่ศึกษาเราเรียนคนอื่นนะเราไปอยู่กับท่านไม่เกินปีสองปีหรือสี่ 5, ปีห้าปีก็มีการแยกย้ายกันไปถ้าเป็นคนทานนั้น ถ้าเขาเป็นคนเกเรเสเพกินเหล้าเมาสุราสูบกัญชาเฮโรอีนเล่นการพ น, นันเหล่านี้เราก็แยกย้ายหนีไปได้อึดใจเดียวเท่านั้นแต่คนผ่านภายในจิตใจของเหล่านี้เราจะทำอย่างไรจิตใจที่มันสกปรกนี่อันนี้แหละเรียกว่าคนผ่านคนผ่านคือบุคคลที่มีโมหะนั่นเอง บัณฑิตก็คือคนที่ทำลายโมหะได้นั่นเองเราเคยสวดกันเป็นตัวภาษาบาลีญาติโยมเคยทำบุญภิกษุสมณเนไปสวดปริตาโมงคลโยจักโมมาข้อแรกว่าโยจักโมาโมหะมาราปะกะโทเมื่อแปลเป็นใจความแล้วคือบุคคลผู้ทำลายโมหะเสียแล้วว่าอย่างนั้น แต่เราก็ไปสวดกันอยู่บ่อยๆแต่ไม่เห็นไม่เห็นเป็นสิริมงคลเรียกว่าอย่างที่เราพูดกันว่าเอตมังคัลมุตตะมังว่าเป็นสิริมงคลแก่บุคคลผู้ทําอันนี้ก็คล้ายคือกันว่าเมื่อเรายังทําลายโมหะโทสะโลภะไม่ได้ก็ยังเป็นคนทานอยู่นั่นเองทําลายโมหะยังไม่ได้แต่นั้นเมื่อมาคํานึงถึงอย่างนี้ ความเป็นอาบัติประศิกนั้นคงจะอยู่ลึกเป็นผู้มีสายตาแหลมคมและเป็นผู้มีปัญญาแหลมคมมิใช่ว่าจะเป็นเพียงตาเนื้อมองเห็นตัวหนังสือเท่านั้นและมิใช่จะมีปัญญาเพียงจดจำออกกับตำรับตำนาเท่านั้นดังนั้นเราเคยได้ยินว่าการเจริญสมถกรรมาฐานเป็นอุบายให้สงบจิตซั่วข้างซัวขาวเท่านั้น ผู้ที่จะผู้ที่จเจริญวิปัสนาเป็นเครื่องเลืองของปัญญาคือเห็นแจ้งด้วยปัญญาคำว่าวิปัสนาแปลว่าการเห็นแจ้งแปลว่าการเห็นแจ้งด้วยสติปัญญาเห็นแจ้งด้วยจิตด้วยใจจริงๆฉะนั้นเมื่อพูดอย่างนี้ อย่าเพิ่งกล่าวว่าผมเป็นการพูดนอกแนวหรือพูดไปนอกตำรับตำลาอย่าเข้าใจอย่างนั้นเราต้องพิจารณาคบคิดให้มันแตกสานคำว่าเสพเมถุนหนึ่งในตำรับตำลาบอกว่าเพศตรงกันข้ามจะเป็นเพศอะไรก็ตามคำว่าเพศตรงกันข้ามลักของเขาหมายถึงราคาห้ามาสุก เมื่อราคาห้ามาสกมาสุกหนึ่งยี่สิบต่างห้ามาสกร้อยตา่างขาดจากความเป็นพิกษุจะิญธรรมะไม่ได้หรือจะิญวิปัสนาไม่ก้าหน้าไม่สามารถที่จะเห็นทำได้ว่าอย่างนี้ค่าสัตว์หนึ่งหมายถึงจะเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้ที่มีคุณเส้นวัวควายสร้งมามากละต่างๆเหล่านั้นแหละเรียกว่าค่ามนุษย์นอกคันในคัน ว่าอย่างนี้ก็ได้ถ้าพูดสั้นๆเ็าเรียกว่าฆ่ามนุษย์นอกคันในคันว่าอย่างนี้คนจำพวกที่ฆ่ามนุษย์นอกคันในคันนั้นก็เป็นอาบัติปราชิกจะเรินวิปัสสนาไม่ได้พูดอุตริมนุษย์หาธรรมคือทมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนอันนี้ก็เป็นอาบัติปราชิกจะเลิญวิปัสสนาไม่ก้าว้า เดียวไม่เข้าใจธรรมะนั่นเองถ้าเพียงแค่นี้มันก็ยังไม่พอคำว่าเสพเมถุนหนึ่งนี่มันจะนอกตำราแต่เมื่อท่านฟังก็ต้องพิจารณาอีกข้างหนึ่งหมายถึงบุคคลผู้ยังมีอวิชชามีโมหะหลงไม่รู้จริงคือไม่เห็นสีวิตไม่เห็นจิตใจของเราที่ปรากฏ กำลังนึกคิดขึ้นมานั่นเองเรียกว่าเสพเมืนุนคืออยู่กับปัญญาที่เลวสามอยู่กับโมหานั่นเองไม่ได้อยู่กับสติสมาธิปัญญามันจึงตรงกันข้ามมาอยู่กับบัณฑิตอยู่กับคนผ่านถ้าอยู่กับบัณฑิตก็ต้องอยู่ด้วยสติสมาธิปัญญาเห็นแจ้งอยู่ทุกขณะจิตอันนี้เรียกว่าอยู่กับบัณฑิต ถ้าหากอยู่กับคนพาลก็อยู่ด้วยโมหะโทสะโลภะนี่เรียกว่าเศพเมถุนลักษณ์ของเขาหนึ่งหมายถึงการทรงจำจากตำรับตำลาหรือทรงจำจากคำพูดของคนอื่นได้ยินได้ฟังแลวจำมาเล้าๆ้ากันไปเพราะทมเหล่านั้นยังไม่ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจของเราเรายังไม่เห็นธรรมเหมือนกันกับ พระเจ้าพูดกับพบระวักลิกนั่นเองต่อเมื่อเราเห็นธรรมะแล้วเข้าใจธรรมะแล้วจึงจะไม่เป็นลักของคนอื่นมาพูดเราต้องเอาธรรมะที่เรากําลังเห็นกาลังนึกกําลังคิดประสบพบเห็นได้นั้นมาพูดมาเล่าให้คนอื่นฟังจึงจะไม่เป็นการลักของคนอื่นข้าสัตว์หนึ่ง ไม่ได้หมายเฉพาะแต่อย่างเดียวคือค่ามนุษย์นอกคันในคันค่าสัตว์หมายถึงการค่าตัวเองมรรคนิพพานความไม่มีทุกข์ชีวิตของเราไม่เกลือกกล้วด้วยความสกปกชีวิตของเรามันมีความสะอาดสว่างมีความสงบเต็มดวงอยู่เหมือนกับพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ดวงดาวเหล่านั้น ที่เราไม่เห็นดวงทิตดวงจันทร์ดวงดาวเหล่านั้นเพราะเมฆเมฆหมอกหรือเมฆหมอกอย่างนี้นะ่ะมาเกือกรั่วการพูดของผมนั้นผมพูดภาษากลางไม่ค่อยเป็นแต่จําเป็นก็นามาพูดให้พวกท่านฟังเพราะพวกท่านต้องการฟังภาษากลางที่ผมพูดนี้ผมเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นแต่ผมก็พูดภาษากลางไม่เป็นหรือภาษาไทยไม่ถูกต้อง เพราะผมไม่เคยเรียนหนังสือไทยเป็นอย่างนั้นดังนั้นจิวาการฆ่าตัดนั้นหมายถึงการฆ่าตัวเองคือผูกมัดตัวเองไว้ในกรงขังไม่เอาตัวออกจากตลำรับตําราเหมือนกั บ, กบลังไหมตามปกติลังไหมตัวตัวม้อนหรือตัวอะไรที่มันทําเป็นยุ่งเป็นไหมเนี่ย มันเอาตัวของมันซุกเข้าไปในตัวมันแล้วมันก็ทําลังรอบนอกของมันเอาใยพันตัวของมันเข้าไว้ในหลังผลที่สุดมันก็ออกไม่ได้ก็ต้องตายในหลังฉะนั้นการเสื้อตํหรับตําลานั้นก็อย่าพึ่งเอาหัวขันลําเข้าไปในตำรับตาลามากเกินไปเราต้องวิจัยในสติปัญญาของเราต้องเจริญสติปัญญาของเรา ให้เห็นแจ้งรู้จริงตามสภาวะธรรมที่มันมีจริงอยู่ในคนทุกๆคนจะยกเว้นไม่ได้ทำที่พูดนี้ดังนั้นข้อต่อไปว่าพูดอุตริมนุษยธรรมคือทำอันยิ่งของมนุษย์แต่ทำที่ว่ารู้ธรรมเห็นธรรมรู้ชีวิตนี้รู้จิตรู้ใจเนี่ย ปุถุชนคนธรรมดาไม่สามารถที่จะเห็นชีวิตตัวเองไม่สามารถเห็นจิตใจของตัวเองเราไปเห็นมายาคือความคิดที่มันถูกปรุงไปนั้นเราก็เลยไปจดจำเอาคำคิดที่มันถูกปรุงไปนั้นไปพูดไปอันนี้เรียกเป็นการพูดอวดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า เราเห็นสีเห็นแสงเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์หรือเราไปพูดไปคุยกับเทวดาหรือไปพูดไปคุยกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้อันนั้นมันไม่มีในตัวมันไม่มีในคนมันไม่สามารถที่จะเห็นได้เรื่องเป็นการโกหกพูดเท็จก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นมายาบุคคลที่ไม่รู้จักมายา บุคคลที่ไม่รู้จักกิเลสกิเลสมันตบหน้าเอามันเป็นมายามันหลอกลวงเราเราไม่เห็นแจ้งไม่รู้จริงในขณะที่จิตใจของเรากำลังปรากฏมันเป็นมายาหลอกลวงให้เราหลงเพลอฝันไปเช่นนั้นจังนั้นการพูดอุตลิมนุสาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตนนั้นว่า เป็นอาบัติปราชิกถ้าหากว่าเขามีในตัวเขาแล้วในตำราหลักสูตรนักธรรมสันฑีนรวคุวาตว่าพูดอุต ร, ริมนุษยธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ต่ออนุปสมบัติต้องประจิตีเท่านั้นการที่ต้องประจิตีนั้นคือบุคคล น, นั้นไม่เข้าใจพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจอาบัตก็หมายถึงคําติเตียนของบุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจนั่นเองดังนั้นผมจึงกล้ายืนยันรับรองคําพูดของพระพุทธเจ้านั้นมันลึกลับมันลึกลับคําว่าลึกลับเนี่ผู้มีปัญญาจึงจะสามารถทําให้แจ้งขึ้นมาได้คําว่าลึกก็หมายถึงบุคคลผู้มีสติปัญญาแหลมคมสมมุติเราขุดน้ําก็ต้องขุดลึ ก, ลก ให้ถึงตาน้ำให้ถึงสายน้ำจึงจะได้น้ำขึ้นมาใช้ได้คาว่ารับก็บุคคลที่ว่องไวแหลมคมเขาจะไปมองไปรับอยู่ที่ไหนก็ต้องเราต้องเดินไปรอบๆให้พบให้เห็นให้เจอกันได้มันก็รับรีไม่ได้เป็นอย่างนั้นฉะนั้นอุปมาคำว่าลึกเราขุดบ่อน้ำ เมื่อเราขุดไปลึกๆมันถูกสายน้ำอันนี้ฟังให้ดีอีกครั้งหนึ่งเมื่อมันถูกสายน้ำน้ำมันต้องดันทุหลังออกมาหรือมันออกมาตามรูของมันเมื่อมันถึงสายน้ำเราก็ต้องโคยเอาตมโคลที่เราขุดเป็นบ่อ น, นั้นลงไปเอาออกมาน้ำข้างในที่สายน้ำมันดันออกมาเราก็ต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นหน้าที่ ที่ตักน้ําออกจากบ่อนั้นวิตออกน้ําสกปรกแต่น้ำไม่ได้สปกปรกต้มคนมาทําให้เป็นน้ําสกปรกตักวิตออกไปน้ํานั้งก็สะอาดขึ้นมาทีละนิดทีละนิดแต่เราตักบ่อยๆให้มันออกมาบ่อยๆเมื่อมันออกมาเราก็คอยดูมันคอยดูมันออกมาเต็มบ่อเราแล้วเราต้องเอามือไปกวนกวนบ่อน้ํา ควรให้ตมโคนหรืออันที่มันสกรปรกติดอยู่กับปักบ่อนั้นมันน้ํานันเกิดสกรปรกมองอะไรไม่เห็นในก้นบ่อเพราะมันเป็นตมโคนมากแล้วเราก็เป็นหน้าที่ตักมันออกเมื่อมันออกมาเราก็ทําอยู่อย่างนั้นะทํำบ่อยๆจนตมโคนที่มีอยู่ในบ่อน่ะให้หมดเมื่อตมโคนอยู่ในบ่อนั้นหมดแล้วน้ําออกมาเราไปกวน ไปควร น, น้ำมันจะไม่สปกปรกเมื่อน้ำไม่สกปรกแล้วมีอะไรตกอยู่ในก้นบ่อนั้นเราจะมองเห็นชั้นใดเมื่อเราจะเลิญสติจะินปัญญาคอยดูจิตดูใจของเรานึกคิดอะไรให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอยู่ทุกขณะจิตแล้วเป็นผู้ที่ไม่มีโมหะแล้วไม่หลงแล้ว เหมือนกันกันกบเราวิดน้ำออกจากบ่อนั้นแหละเมื่อมีอะไรตกเข้าไปในบ่อเราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะน้ำไม่สปกปรกอันนี้เราไปเจริญวิปัสสนาก็าตามเจริญกรรมาฐานก็าตามต้องการความสงบเราไปปั้นน้าขึ้นให้มันเป็นก้อนไปจับลมให้เป็นตนเป็นโตมันเป็นไปไม่ได้ เพราะความสงบนั้นมันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นความสงบนั้นก็หมายถึงที่เราขุดบอ่อน้ํานั่นแหละคือน้ํานั้นมันสกปกเราต้องวิทย์ทิ้งให้น้ํานั้นสะอาดขึ้นมาจิตใจของเราที่มันนึกมันคิดให้มันคิดไปให้มันคิดไปแต่ปกติคนไม่เคยเห็นจิตใจตัวเองร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันมีโมหะปกครองอยู่ ไม่เคยเห็นความคิดของตัวเองปรุงไปมันก็เหมือนกับน้ำที่มีตรมโคนนั่นเองเมื่อเราเห็นความคิดของเราแล้วเหมือนกับเราวิทน้ำมันเป็นวิธีบวกกับลบเรื่องนี้สมมติว่าเรามีความหลงทุกคนเป็นอย่างนั้นรอยเปเซ็ตเราไม่เคยเห็นจับต้นความคิดของเราไม่ได้ บัดนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังพิจารณาถึงคำพูดที่พระพุทธเจ้าได้เจริญวิปัสสนาว่าได้ตัดสู้เพราะการบำเพ็ญทางจิตเรามาคอยมีสติคอยดูความคิดของเราที่คนอื่นมองไม่เห็นจะเห็นได้เฉพาะตัวเราคนเดียวเท่านั้นวันหนึ่งเราเห็นความคิดของเราขั้งหนึ่ง สมมติว่าเราไม่เคยเห็นความคิดของเราลอยลอยเปอรเซนเราก็เห็นครั้งเดียวเห็นยาวๆแบบนี่ยเมื่อมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวเราเห็นเรารู้เราเข้าใจเราสัมผัสได้ความคิดนั้นจะหยุดลงมันจะไม่ถูกปุงไปเมื่อเราเห็นมันหยุดลงแล้วเราก็ได้มาหนึ่งครั้งหรือหนึ่งเปอร์เซนแล้วที่มันมีอยู่ร้อยเปอร์เซนนั้นมันจะลดลงมาเก้าสิบเก้าเปอร์เซน เราก็ได้มาเปิดเซ็นหนึงแล้วบัด น, นี้เมื่อเราคอยดูอย่างนี้เราเห็นสองทางขึ้นมาเราก็ได้สองเปิดเซนมากทางนี้ขึ้นทางนั้นก็ลดน้อยลงมาเหลืออยู่เก้าสิบแปดสมมติบัด น, นี้เราเห็นความคิดของเราได้สิบเปอร์เซนทางนั้นก็ยังเหลืออยู่เก้าสิบเปอร์เซนเท่านั้นเราทํำบ่อยๆดูบ่อยๆ ไปไหนมาไหนเข้าห้องน้ําห้องส้วมแม้ทําการทํางานทุกวิธีเราดูจิตดูใจของเราเราเห็นจิตใจของเราที่มันกําลังเกิดขึ้นนึกคิดอะไรก็ทิ้งไปทิ้งไปเหมือนกับวิทน้ําออกจากในบ่อ น, นั่นเองดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราเห็นมากขึ้นมากขึ้นทางนั้นก็ลดน้อยลงลดน้อยลงอ้าวสมมุติว่าเราเห็นห้าสิบเปอร์เซ เราเห็นห้าสิบเปอร์เซ็นทางนั้นก็ยังเหลืออยู่ห้าสิบเปอร์เซนเท่าตัวเมื่อเท่าตัวนั้นคนที่มีปัญญาก็สามารถที่จะบังคับได้เล็กๆน้อยๆเมื่อเราเห็นถึงเก้าสิบเปอร์เซนมันก็ยังเหลืออยู่เพียงสิบเปอร์เซนเท่านั้นเมื่อเราทําความเข้าใจให้เห็นจิตใจของเรานึกคิดอะไรรู้เท่ารู้ทันเห็นแจ้งเอาชนะได้ทุกครั้งทุกข่าวร้อยเปอร์เซน รวมหลงผิดก็ไม่มีอันนี้แหละเป็นวิธีการบาเพ็ญทางจิตถ้าพูดอย่างนี้อาจจะขัดใจพวกที่ท่านเคยศึกษาเล่าเรียนนักทมตีโทเอกหรือบาลมบาลีมานะก็ตามหรือว่าท่านศึกษาเล่าเรียนฝ่ายโลกมาจนได้ปริยาตีโทเอกก็ตามคำว่าอาวิชชาในปฏิจจสมุปบาทนั้นว่า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 นม้นามาน้ำเป็นปัจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจัยให้เกิดซาดซาดเป็นปัจัยให้เกิดโตกกาปริเทวาทุกว่าอย่างนั้นแต่เมื่อมาพิจารณาสั้นๆไม่ต้องเรียนปฏิจจสมุปบาทก็ได้อวิชชาแปล ว, ว่าความไม่รู้แต่มันรู้ผิดมันรู้แก้ทุกข์ไม่ได้คนมิใช่ว่าไม่รู้มันนึกมันคิดเป็น แม้จะเป็นคนบ้า้า่เสียจริตมันคนนึกก็คิดเป็นคาว่าอวิชชาในคำหมายของปฏิจจสมุปบาทนั้นคือไม่เห็นจิตใจไม่เห็นจิตใจของเราที่กําลังปรุงแต่งไปด้วยสังขารพราะจิตใจของเรามันไหลไปตามกระแสะอารมณ์มันชอบอันใดมันต้องนึกต้องคิดคนจเจริญวิปัสนา หรือจเจริญกรรมาฐานก็าตามเมื่อทําให้ใจิตใจสงบแล้วต้องไปนึกไปคิดไปตีตองคบคิดในปัญหาข้อนั้นๆอันนั้นแหละเป็นอวิชาคือไปนึกไปคิดขึ้นมาเราไปสร้างขึ้นมาอันนี้แหละเราไม่เข้าใจคําว่าเห็นนิมิตเราไปสร้างของไม่มีให้มันมีขึ้นมาตัวชีวิตตัวจิตใจของเราจริงๆนั้น มันไม่มีเลยอะวิชาที่ผมสมมติให้ฟังแล้วที่ดวงทิศดวงจันทร์หรือดวงดาวมันไม่มีอะไรที่จะปิดบังมันได้มันมีเมฆบังดวงทิศดวงจันทร์ถ้าเมฆหนาๆแสงพาทิจะไม่สว่างขึ้นมาแต่มันทำคมสว่างเต็มดวงดวงดาวก็เหมือนกันเดือนก็เหมือนกันที่ไม่สว่างนั้นคือเมฆ เราเรียกว่าฝ้าเมฆที่มันไหลผ่านดวงทิศดวงจันทร์เนื้อดวงดาวอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเมื่อเราเห็นจิตเห็นใจของเราจริงๆแล้วมันจะไม่มีอะไรเลยสมมุติอีกอย่างหนึ่งที่ให้เราเห็นด้วยสายตาหพวกเราเป็นคนเคยทํานาเราทํานากําลังไถนาหรือคาดนาอย่างนี้นานัน้นมันคุ้น เราต้องเอาถ้วยแก้วหรือเอาขันเอาอะไรไปตักเอาน้ํานั่นมาไว้มาตักนานๆตะกอนมันจมลงไปน้ํานั่นที่มันใส่นั้นมันก็ขึ้นอยู่ข้างบนเมื่อเราไปกวนเข้าในขณะไหนในขณะนั้นน้ําก็ทําสกปรกขึ้นเ อ, อื้อต้นคนก็มาทําให้น้ําสกปรกขึ้นมาชั้นใดเรื่องชีวิตจิตใ จ, จของเราแล้วไม่มีอะไรที่จะทําให้สกปรกได้ ความสงบนั้นก็ไม่มีตะกอนนั่นเองไม่ใช่ว่านั่งสงบความสงบนั้นจึงมีสองความหมายสงบโดยสมถกรรมฐานอย่างหนึง่งสงบโดยวิปัสนาอย่างหนึง่งวิปัสนานั้นแปลว่าเห็นแจ้งต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเมื่อเห็นแจ้งก็ต่างเก่าล่วงภาวะเดิมแล้วไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนคือไม่เห็นจิตเห็นใจ ในขณะนี้เห็นจิตเห็นใจตัวเองแล้วที่เรากลัวเราต้องการสวรรค์ต้องการนิพพานนั้นมันเป็นมายามันเป็นมายาของจิตใจให้เราเข้าใจว่าจิตใจมันเป็นมายามันเป็นตัวอวิชชาเป็นตัวกิเลสชนิดหนึ่งมาทําให้เราหลงผิดเท่านั้นคําว่าอาวิชชาแปลว่าคนไม่รู้ คือไม่รู้ที่กำลังจิตใจของเรากำลังปรากฏขึ้นมานั่นเองวิชาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นในขณะจิตของเรากำลังปรากฏขึ้นมานั่นเองหรือว่าวิชาวิชาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงตามสภาวธรรมที่มีจริงว่าอย่างนั้นฉะงนั้นขอให้พวกเราทุกคนจงตั้งจิตตั้งใ จ, จเจริญสร้างสติขึ้นมาให้มากๆที่พูดให้มาข้อแรกว่า ผู้เห็นธรรมคือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมคือเห็นชีวิตที่ไม่ถูกปรุงแต่งนั่นเองชีวิตบุคคล น, นั้นจะไม่มีทุกข์เลยดังนั้นขอให้พวกเราทุกคนจงพยายามเข้าใจในการปฏิบัติธรรมให้ได้แต่ในตำรับตำนาพูดเอาไว้ว่าศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาบ สมาธิเป็นเครื่องมือกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องมือกําจัดกิเลสอย่างละเอียดแต่เราบวชมาเป็นเนนเป็นภิกษุหรือว่าญาติโยมมาจําศีลวันพระคําว่าศีลเป็นเครื่องมือกําจัดกิเลสอย่างหยาบบัด น, นี้เราก็มีศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยี่สิบเจ็ดทำไมกําจัดไม่ได้ อันนี้มันเป็นเรื่องสังคมมันเป็นเรื่องสมมุติมันเป็นศีลสมมุติมันเป็นศีล ส, ส, สังคมไม่ใช่ศีลกำจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิเราเป็นนั่งอยู่คนนึงคนเดียวไม่พูดไม่คุยกับใครกิเลสอย่างกลางก็ยังกำจัดไม่ได้วันนี้เรามีปัญญาศึกษาเราเรียนนักธรรมตีโทเอกจนเป็นมหาปรลมปรเรียนเป็นปรเรียนก้าวจบว่าอย่าง และเราไปเรียนฝ่ายโลกได้ปริยาตีโทเอกมาแต่ทำไมจัดการกับปัญญาจัดการกับกิเลส อ, อย่างละเอียดไม่ได้อันนั้นก็ไม่ใช่เป็นปัญญาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นปัญญาของโลกโลกเรือว่าเป็นปัญญาของสังคมฉะนั้นจึงว่าศีลสังคมและปัญญาสังคมไม่ใช่เป็นศีลอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ และไม่ใช่เป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่ายานในทางพระพุทธศาสนาไม่เป็นปัญญายาณคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าสินเราไม่ต้องไปสมทานเอากรบใคราขมันเป็นเครื่องถล่งุงตากดขึ้นมาผมจะพูดไปตามทัศนะความเข้าใจเมื่อจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงขั้งที่สามนี่แหละ ใจิตใจของเราจะเป็นปกติด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเมื่อกายปกติวาจาปกติใจปกติเรียกว่าเรามีสินเหมือนกับที่เราขุดน้ำบ่อเมื่อมีสิ่งที่สกปรกโสโครกตกลงไปในบ่อน้ำของเราเราใจเห็นทันทีอันนี้เมื่อจิตใจของเราปกติร่างกายปกติใจปกติ เมื่อจิตใจนึกคิดก็เห็นทันทีมันก็จัดการกับกิเลสอย่างหยาบได้แบบ น, นี้กิเลสอย่างละเอียดก็เรียกว่าเราจะมีสมาธิสมาธิก็แปลว่าตั้งใจมัน่นทําการทำงานไม่พลาดผิดเมื่อคนทําการทํางานไม่พลาดผิดแล้วจะมีสุขความสุขบุกอยู่ที่ไหนมันก็จัดการกับกิเลสอย่างกลางได้ ปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดก็เพราะการเห็นแจ้งในสัจจะธรรมที่มีอยู่ในคนทุกคนไม่ยกเว้นฉะนั้นการเจริญแบบนี้ผมรับรองจะเอาชีวิตเป็นประกันอย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันความทุกประเภทนี้จะลดน้อยไป ถึงไม่หมดก็ลดน้อยไปฉะนั้นเมื่อพูดถึงกิเลสจะลดน้อยไปนั้นกิเลสยังหยาบนั้นเราเข้าใจกันอยู่ว่าวามโกรธขามโลภข่มหลงอันนี้ถูกแต่ถูกโดยที่กำปั้นทุบดินถ้าหากว่ากิเลสยังหยาบเป็นประเภทโทสะโมหโลภะแล้วสุนัข ก, ก็มีวัวควายก็มี เป็ดไก่ก็มีทำไมวัสุนั ก, ก็มีสุนัขมันกัดกันเพราะอะไรก็เพ ร, เพราะโมหะโทสะโลภะนั่นเองวัวควายที่มันติดมันช น, นกันมันก็มีกิเลสประเภทนี้ดังนั้นขอให้เราเข้าใจคำว่ากิเลสอย่างหยาบนั้นก็คงจะไม่เป็นประเภทนี้แต่ผมอยากจะพูดเตือนจิตสกิดใจสักนิดเดียวกิเลสอย่างหยาบนั้นคือกิเลสประเภทของพวกเทวดา คือไม่มีทุกข์ไม่มีความโกรธเพราะเทวดามันติดสุขกิเลสอย่างกลางพวกที่ทําสมถะกรรมฐานไปติดความสงบติดความสงบ ก, ก็เลยไม่รู้ทิศทางไปกิเลสอย่างละเอียดคือไม่เห็นจิตใจของเราที่นึกคิดนั่นเองฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงได้ชี้ชัดลงไปอย่างนั้นฉะนั้นเท่าที่ผม ได้ให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจของพวกเรากดนึกว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วขอให้พวกท่านทางหลายจงตั้งจิตตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะจงเจริญสติประฐานสี่เรียกว่ากายานุปจนนาเวทา น, านุปจสนาจิตตานุปจนนาธรรมานุปจสนาพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้เห็นชัดแจ้งอยู่ภายในจิตใจ ในตำรับตำราว่าอย่างนั้นแต่ผมจะพูดนี้ไม่ได้พูดในตำลับตำราแต่ผมพูดโดยอุดมการและผมประสบพบเห็นมาอย่างนี้แต่ให้ท่านมีสติรู้เท่ารู้ทันในขณะพลิกมือขึ้นกว้วมมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงขวาก้มเงย ทิพตาอ้าปากลืนน้ำลายผ่านในลูคอลงไปหายใจเข้าหายใจออกให้มีสติรู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้รู้จักเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นี่เป็นข้อแรกข้อที่สองต่อไปให้ท่านมีสติคอยดูจิตดูใจของท่านอยู่ทุกขณะจิตท่านจะทำการทำงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างดูได้ทำการทำงานได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็เป็นการดูจิตดูใจอันนี้เป็นข้อที่สองขอให้ท่านมองเห็นสิ่งนี้อยู่ทุกขณะจิตควมเป็นเองควมมีมันมีอยู่แล้วมันเป็นเองเหมือนกันกับเอาเม็ดข้าวลงไปปลูกไว้ในดินแลาอเอาน้ำไปลดข้าวทุกเม็ดต้องงอกต้องตป่งขึ้นมาทุกเม็ดเมื่อเราจเจริญอย่างนี้สามารถที่จะเห็นแจ้งได้ทุกคนไม่ยกเว้นถ้าหากท่านทาอย่างนี้ถึง สามปีแล้วแต่ทำให้มันติดกันนะยังไม่ปรากฏแล้วเอาชีวิตของผมไปผ่านก็ได้เพราะผมกล้ายืนยันได้อย่างนี้จึงจะสมกับคำหมายที่ผมตั้งปฏิธานเอาไ ว, ว้ว่าเสียสลาดทรัพย์ออกไปได้เพราะผมรักษาอาวัยวะร่างกายของผมบัดนี้ร่างกายของผมเมื่อมันเป็นบาดเปื่อยเน่าไปผมรักษาชีวิตของผม ผมจะตัดเนื้อเนาของผมออกไปให้ได้ให้ผมมีชีวิตอยู่ได้บัดนี้ชีวิตของผมจะถึงหายไปก็ตามคําพูดที่ผมกําลังพูดอยู่ในขณะนี้ผมเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนมาอย่างนี้ชีวิตผมจบสิ้นลงไปในขณะนี้ก็ตามขอให้ผมได้พูดความจริงที่เป็นสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นฝากไว้กับโลกนี้ให้เป็นคู่ของของโลกนี้ไป ถึงจากเส้นลมหายใจไปข้อตามผมไม่เสียดายเลยผมจึงเอาชีวิตผมมาเป็นประกันและเดิมพันไว้กับพวกเราในขณะนี้ฉันั้นที่ผมได้เล่ามาในขณะนี้ก็พอสมควรเก่เวลาแล้วจึงขอหยุดไว้สดเพียงเท่านี้บัดนี้ต่อไปสุดท้ายนี่ผมขออ้างอิงเอากุลของพระพุทธเจ้าและคุณพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคุณของพระลันตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเตือนจิตตกิดใ จ, จของพวกเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายได้ประสบพบเห็นในสัจธรรมคือจิตใจของเราทุกทุกคนในขณะนีท้ทุกคนเธอธรรมบรรยายที่ท่านบรรยายจบลงไปเมื่อสักครู่นี้นั้นท่านบรรยายไว้เมื่อวันที่ส4บสเป็นวันเสาร์เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช2อ2 2ซึ่งตรงกับวันแรมแดค่ำเดือนสิบปีมาแมนวัดสวนแก้วตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามหรือว่าไปพูดคุยสนทนากับท่านได้และก็ขอวิธีการไปประพฤติปฏิบัติได้ทุกโอกาสท่านก็ให้ความ อ, อบอุ่นให้ความสว่างชี้แจงทุกแง่ทุกมุมสำหรับผู้มีความเพียรหรือสนใจในการาที่จะศึกษาพุทธธรรมซึ่งเป็นการจันลกไว้ซึ่งคำสอนหลักการประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องร0 0เปเซ็ต์ทันรับรองชีวิตเป็นเดิมพันพวกเราที่ได้ฟังนี้ก็ขอให้สนใจกับตัวเอง ประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเข้าไปให้มีความสุขให้มีความสบายอกสบายใจด้วยการทุกทุกทน